BOOK 2ห้าสิบสีฉันกร์บ์รร์บซื้อของเชฟนร์ที่ฉันต้องการซื้อของขวัญเซฟชูฮาฟต์นเชฟ ซาตนชอฟอยแต่เอาที่ไม่แพงมากเอามะเดเอามะเดอาจจะเป็นกระเป๋าถืออามกซกมะคุชตอมกซกมะคุชตคุณอยากได้สีอะไร สิด้วยสวจาซสีด้ววิจาสะสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวสุดเซลฮับเซอเยฟเซอะรสุดซลฮับเซอเยฟเซอะระใบใหญ่หรือใบเล็กยีโนวฮาวมะซุโคอะระ You, know go, you? ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะมิชเยิมคุต้ตามิชเยิมคุตใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะมรชะซิขึ้จกรมรชิขร หรือว่าทําจากพลาสติกทำมาภมิกดกูระจะเากอนทำมขาภูมิศัก์กูระาจกจากหนังแน่นอนค่ะเโอขาบชโอาบใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ ด๊ดดขรมฟดด๊ดขุรมฟัดและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะอัชมาคุมวาสิซุบกัมจบบอัชมาคุมวอสุบกัมบบดิฉันชอบค่ะอรสุกรีย สุรีหดิฉันเอาค่ะเชฟชเชฟิชตดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการยิชิจคุมคสฟบลิสคุิชตะยิชิจคุมคสฟบลิสคุิชตะได้แน่นอนค่ะอดอร์ เราจะห่อของขวัญให้คุณที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ